สวัสดีครับครับ YouTube ครับช่อง Face Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินพาเที่ยวก่อนที่วัดนะครับผมจะขอเล่าเรื่องก่อน 7 แผ่น ท่านมีสีรวม 128 ปีท่าน 2392 เนี่ยตรง 3 แล้ว 2520 ตรงกับ 9 ครับซึ่งถือว่า เป็นพระอาจารย์ของพระกรรมฐานไซ่ป่าอยู่หลายซึ่ง มีของดีอยู่ใกล้ตัวแล้วทําไมไม่ไปกราบไหว้ซึ่ง ซึ่งก็มีเส้นเกสาของท่านเนี่ยติดอยู่ด้วยไม่ยากลําบากอะไรครับก็ไปง่ายๆเลยเป็นวัดที่มีผู้คนที่ศรัทธาหลวงปู่สีเนี่ยเดิน ก็ยังไงก็ไปกราบ ซึ่งสถาน ที่เป็นพิพิธภัณฑ์วัดเขา พระอาจารย์ของหลวงปู่ จะเป็นหลวงปู่บุดดาครับนี่นะฮะจะ เดินขึ้นไปชมถ้ำครับบรรยากาศนะดีหน่อยครับอากาศไม่ นี่เป็นแบบรวงพึ่งนะป่างป่าเลยไหร่ถึงปากถ้ำแล้วครับเนี่ยฮะไม่สูงครับไม่สูงเข้าไหร่เดินเข้าชมถ้ำเลยครับถ้ำบุญนะจะมีนี้ลูกปั้นเป็นแม่นานะครับ ก็แบบมีรมพัศออกมาเลยครับภายในท่ำในน้ำหยดติงๆเลยนะครับพื้งก็เปลี่ยดด้วยนะครับยังไงระว่างเรื่อนนะก็จะมีอีกชั้นด้านด้านนูนะครับเอาเขาไปได้ครับ คนนะจะเป็นปล่องนะปล่องทําให้ ฝนตกเอาน้ำลงมา บรรยากาศดีครับนะแล้วก็ระลึกถึงคุณโตนะครับตั้งแต่ครั้ง เรียนเชิญนะ 1 เรนะ